สมาสุติเจ้าพระองค์นั้นว่าถึงสามครั้งก็แปลได้ความถึงสามครั้งอย่างเดียวกันที่นี้กระทูกมีกระทูกฐานมีกระทูกศีลมีกระทูกภาวนาถ่ายย่นลงเป็นสามกระทูกแปลว่ายกข้อขึ้นตั้งไว้หรือเรียกว่ากรรมาฐานตั้งฐานไว้ในกระทูกจยอธิบายตามกระทูก ตกลงมาก็กระทู่ใดๆก็ตามนะโมใดๆก็ตามนะโมก็คือมโนเรานี่เองกระทู่ก็คือกระทู่จิตกระทู่ใจของเรานี่เองเพราะยกใจขึ้นเทศผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังถ้าไม่มีใจก็เทศไม่ได้ถ้าไม่มีใจก็ฟังไม่เป็น ตกลงก็กระทู่ก็ดีนะโมก็ดีก็อยู่ที่กายวาจยใ จ, ใจที่ทําถูกถ้ากายวาจาจใจที่ทําถูกก็เป็นกระทู่ที่ถูกก็เป็นนโมที่ถูกก็เป น, นอบนอบแปลนโมแปลว่านบนอบก็นอบนอบไปในทางถูกหรือกระทู่ก็เป็นกระทู่ไปทางถูกเรียกว่าบุญถ้ากายวาจาจใจไปทางผิดนะโมก็เป็นนโมผิด เพาน้อมน้อมไปในทางผิดนโมแปลว่านอ้อมน้อมกะทูปแปลว่าตั้งไว้หรือนอโม ก, ก็ตั้งไว้ในใจเหมือนกันก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าเป็นไปในทางบุญก็เป็นกะทูปบุญก็เป็นนโมบุญถ้าไปในทางบาปก็เป็นกะทูปบาปก็เป็นนโมบาปมอเป็นเช่นนี้เราก็ไม่สงสัยในเรื่องกะทู้และนโม นโมเป้น้อมนอ้นอมแล้วนอ้นอมนอ้นอมพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนเพราะเราเคารพรับถืออยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนนึกเวมาเวลาไหนก็ไม่คืดอยจางก็เรี ว, ว่ามีนโมอยู่ทุกอิริยาบถและคันธะสันดานของเราพระพุทธศาสนา ฝากพระพุทธศาสนาไว้พับภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาไว้ในมนุษย์โลกเทวโลกพร ม, มโลกท่านก็ไม่ได้ฝากไว้ฝากไว้กับมนุษย์โลกคำสอนแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ ก็พุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาแสดงธรรมันเดียวกันถ้าฟังเทศในศาสน า, าพักโคโดมแล้วก็เท่ากับว่าได้ฟังเทศของพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาในศาสนาของพักโคโดมแล้วก็เท่ากับว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสานาที่ล่วงไปแล้วและที่ยังไม่มาถึง ของพระเจ้าองค์อื่นๆเหมือนกันก็มาสอนเป็นอันเดียวกันพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ก็ยืนยันว่าํำคำสั่งสอนที่เรากล่าวแล้วนี้เองจะเป็นศาสดาและเป็นครูของท่านทั้งหลายในเวลาเราเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ทราบเถิดว่าพระพุทธศาสนาหรือคาสอนของพระบรมศาสดา ยังนำลงคงอยู่แต่ผู้ปฏิบัตินั้นจะมีหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นเมื่อได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนามันได้เสื่อมไปไหนถึงจะมาเปลี่ยนกันเป็นยุคเป็นคราวก็เป็นธรรมอันเก่าไม่ใช่ธรรมอันใหม่ไม่ได้รับร่างพรบอันใดเลยทานชิ้นภาวนาก็อันเดิมชิ้นห้าข้อันเดิมชิ้นแปดข้อันเดิมชิ้นสิกข้อันเดิมชิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อันเดิม สีนสมาธิปัญญาที่รวมลงไปเป็นใจศึกษาก็าอันเดิมเมื่อเป็นดังนี้ก็สอแสดงให้เห็นว่าเรายืนเดินนั่งนอนก็อยู่กับพระพุทธศาสนาก็มีพระพุทธศาสนาอยู่และจิตใจของเราก็ไม่โอนเอียงไปทางอื่นเจ้าพระมรรคกายสวายชีวิตได้ จ, จิตใจต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อมีมีประมาณ เพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมือ่อนั้นเถิดและลึกได้ไมื่อึกได้พอดีขอคำมาโทษด้วยกายวายจาใจขอทำวัดต่อรพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัาสงสารโดยด่วนตามความประสงค์อยู่ทุกเมื่อนั้นเถิดไม่ว่าแต่เท่านี้และลึกได้ไม่ึกได้พอดี ขอทาวัดต่อใจโลกธาทั้งที่มีมิญญาณครองสิงไม่ให้มีเวรไม่ให้มีภัยไม่ให้มีศัตรูและอุทิศปุญส่วนบุญให้ผูกขาดจองขาดสู่โชคเมื่อมีปรมานเพื่อคนทุกข์ในวาระสงสารโดยดว่วนตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อนั้นเถิดมีปัญหาสอดเข้ามาว่าบุญเล็กเล็กน้อยเราจะอุทิศให ท่านผู้อื่นทอดทั้งใจโลกธาตุบุญของเราจะไม่หมดไปดอกหรือพระบรมศาสด า, าอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วอนนนเอยเธออยากสงสัยว่าบุญจะหมดเธอยิ่งอุทิศให้เขาเท่าใดบุญก็ยิ่งมาห้เธอเท่านั้นไม่หมดเป็นเรียกว่าปฏิทานะไมา่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญบุญไม่หมดไปไหนดอกยิ่งให้ก็ยิ่งมาเหมือนน้ำที่ไหลามาแทน เมือนนามออกบ่อทมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจะมีมากมายเป็นกายเป็นกองแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์กอตามแต่ย่นลงสั้นก็คือจิตคือใจของเรานี่เองเป็นต้นของพระพุทธศาสนาถ้าเราทำถูก ถ้าเราทำผิดก็เป็นต้นของนรกัติรัชานเปตอสุรกายถ้าเราทำถูกก็ไปในทางบุญถ้าเราทำผิดก็ไปในทางบาปผลของบาปผลของบุญก็มาหาใจเพราะพระรามาสด า, าจิงทรงยน่นเพื่อให้รู้จักเพื่อให้ปฏิบัติง่ายคำพีดใดๆก็มาจากมโมคุพัง เมาธรมามโนเศธสามโนมยญารมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่คาพี่บาปก็มาจากใจคาพี่บุญก็มาจากใจเมื่อเป็นดังนี้สินห้าประการถ้าเราไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นสินตัวเดียวอยู่ที่ใจสินแประการถ้าเราไม่ล่วงละเมิด ก็มาอยู่เป็นเส้นตัวเดียวเป็นเชือกแปดเสียวหรือเป็นเชือกห้าเสียวอยู่ที่ใจศสนสองรอยยี่สิบเกตัวเหมือนกันสมาธิทั้งหลายเป็นคณิทีสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิก็ตามถ้าตั้งมั่นก็ตั้งมั่นลงอยู่ที่ใจถ้าไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นลงอยู่ที่ใจถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซานออกหนีจากใจถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่ใจทีนี้ปัญญา ทั้งเป็นโลกรีและหลวกุฏะพระดีศีลพระดีสมาธิพระดีก็มาอยู่ที่ใจหมดไม่ได้อยู่ที่อื่นจะหาศีลจะหาสมาธิจะหาปัญญาจะไปหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นไม่พบถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจจะให้ใครหาแทนก็ไม่ได้ตัวใจก็ต้องเป็นผู้หาเอง จะให้คนอื่นทำบุญทำความศรแทนใจไม่ได้ข้ายใจเป็นหัวหน้าจะให้ทานนักทาสินธรรมาก็มีใจเป็นหัวหน้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีใจเป็นหัวหน้าจะทำผิดทำถูกข้ายใจเป็นหัวหน้าทั้งนั้นผลลายรับก็มาหาใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเราเดินทางไปแล้วจะรู้ว่าเงาไปตามเราหรือไม่ก็ตามเงาก็ไปอย่างนั้น เงาคิดเงาใจเงาบุญเงาบาปผลของบุญของบาปเป็นของละเอียดกว่านั้นอีกดังนั้นล้านเท่าพุทธศาสนาเบื้อต้นสอนให้ทำมาหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเรียกว่าสัมมาอาชีวูและสอนให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เรื่องสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อน เมื่อเริ่มสายในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักแล้วความเลื่อมสาย อ, ยาอื่นๆอันเป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นในกิตตสันดานใจดวงเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสายคําว่าใจก็อยู่ที่ใจของแต่และท่านแต่และบุคคลตามสมมติตัวจอสละอายใจ อันนั้นเป็นคําชื่อบอกหรือเป็นตาําราตัวบอรสรุยอผู้หญิงสะกดอันนั้นเป็นคําชื่อคําชื่อของบุญแต่ไม่ใช่บุญเป็นคําชื่อเฉยๆส่วนบุญจะมีหรือไม่มีก็อยู่ที่ใจบาปจะมีหรือไม่มีก็อยู่ที่ใจคำว่า บ, บาปตปอตบอสละอาตบอสะกดบาปไม่ในไม่ได้อยู่ในตัวบอสะละอาตบอสะกดอยู่ที่จิตใจของมนษุษย์สัตว์ทั้งหลายที่สร้างขึ้น เมื่อเป็นดังนี้ก็สอนแสดงให้เห็นว่าพุทธธรรมสูงก็อยู่ที่ใจเท่านั้นพุโทโธแปลผู้ลูกให้ทานรักษาสิญพาวนาธรรมโอแปลว่าทรงไหวซึ่งทานสิญภาวนาสังโโแปลว่าปฏิบัติทานสิญภาวนามีอนความหมายอันเดียวกันอยู่ที่แห่งเดียวกันเป็นเชือกสามเสี้ยกะแปดหมืนสี่พระธรร ม, มขันต์ก็เป็นเชือกแปดหมืนสี่พันพระธรร ม, มขันต์เสี้ยว ลงมามาอยู่ในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมของบุคคลของเราของพวกเราที่กําลังเป็นอยู่ที่เห็นอยู่ที่น้อมเข้ามาจึิงตรงกับคาว่าโอปันญิโกน้อมเข้ามาใส่ใจปัจจิตตังใจก็จะเห็นเองเลยฮิปัติโกก็ราะงเรียกให้ใจมาดูได้ถ้ามีบุญก็มาอยู่ได้ถ้ามีบาปก็มาดูได้เพราะดูที่ใจดูที่อื่นมันไม่เห็นมีก็มีอยู่ที่นั่นไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่นั่น ถ้าสงสัยก็สงสัยอยู่ที่นั้นทําไม่สงสัยก็ไม่สงสัยอยู่ที่นั่นคำสอนเบื้องต้นสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสอนให้ยินดีในสวรรค์สมบัติสอนให้ยินดีในพรหมสมบัติคําสอนเบื้องปลายสอนให้เบื่อหนาา่ายายเมาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติ มนุษย์สมบัติคืออะไรบ้างเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เรียวกว่ามนุษย์สมบัติเพราะไม่เป็นคนบ้าไบาเสียจริตคิดมนุษย์สามารถจะทําสวรรค์สมบัติให้เกิดขึ้นได้สามารถจะทํำคมให้เกิดขึ้นได้สามารถจะทําพระนิพพานให้เกิดขึ้นได้พราคิตใจที่ถึงว่าพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นคิตใจที่จะก้าวหน้าสูงส่งไปสู่ความเจริญ คิดใจที่ไม่ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์เป็นสณะนะนับวันจะเสื่อมลงนับวันจะโง่ลงนับวันจะบวกคูณความหลงของตนถูกแพ้ความหลงของตนไปแต่พื้นตะพืะพ้นคิดใจถึงว่าพุทธธรรมประสงค์แล้วนับวันจะชนะความหลงของตนไปพระศรัทธาถึงว่าพุทธธรรมพระสงค์ ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรเพียรในพระพุทธศาสนาสติความระลึกได้ในพระพุทธศาสนาสมาธิตั้งมั่นจิตใจไวในพระพุทธศาสนามีธาวรวัตมีศีลวัตรมีภาวนาวัตรเป็นต้นปัญญารอบรู้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาใจ ถ้าทำมศาสนาใจถ้าทำอังกศาสนาใจศาสนาอื่นเขาก็อ้างไกลมันกันแต่ความประพฤติไปคนละแง่ละมุมเมื่อความประพฤติไปคนละแง่ละมุมผลของคิดของใจรายได้ก็ได้รับคนละแง่ละมุมศาสนาอื่นเป็นโลกียะศาสนาศาสนาพุทธเป็นโลกุตตราศาสนาศาสนาอื่นจะปฏิบัติเช้มคัดจะเพียงไหรก็ตามก็เป็นโลกีอยู่นั่นเอง ก็ต้นของศาสนาของเขาก็เป็นโลกีเราดีๆนี่เองไม่ใช่โลพุตระพ่อนาเบื้องต้นผู้มีศัทธาจริตก็สอนให้บริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมพุทโทธธรรมโอเคอยู่ที่นั่นชังโกเคอยู่ที่นั่นเป็นเพียงว่าบริกรรมอาสยอดเฉย เมื ficar, <de> <at participar> <ative> <c Reading> ่อเห็นพุทโธเนีคุณพุทโธในปัจจุบันแล้วคุณพุทโธในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยคุณธโมก็เหมือนกันเหตุนั้นพระบรมศาสตราจึงเน้นลงปัจจุบันนันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอแงงคอนเฟรนในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะไม่กล่าวตู่พระพุทธศาสนาด้วยผู้นั้นจะไม่กล่าวตู่ตนด้วยกล่าวตู่พระพุทธศาสนาคือกล่าวตู่ตนนั่นเองประมาทพระพุทธศาสนาก็คือประมาทตนนั่นเอง พรตนเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาพราะพระพุทธศาสนามีอยู่ที่ตนเกิดทูนพระพุทธศาสนาก็คือสู้ทนคือทุนตนเคารพพระพุทธศาสนาก็คือเคารพตนก็คือทําให้ตนทําอะไรเรียกว่าทําให้ตนเท่านั้นทําบาปก็ทําให้ตนทําบุญก็ทําให้ตนบุที่ใช้ท่านผู้อื่นตนก็ได้บุญรวย มีเมตตาบาณีผู้อื่นตนก็ได้บุญด้วยก็เรียกว่าทําให้ตนเบียดเวียนผู้อื่นก็เรียกว่าเบียดเวียนตนด้วยนะถ้าคิตใจเมื่อแล้ลึกถึงความเบียดเวียนผู้อื่นแล้วก็เป็นทุกข์คิตใจเมื่อแล้วลึกถึงความเมตตากรุณาท่านผู้อื่นแล้วก็เป็นสุขก็เรียกว่าทําให้ตนอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจ ก็คือทำเป็นที่พึ่งของธทำก็คือปัจจุบันเป็นที่พึ่งของปัจจุบันปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมจะสิ้นความสงสัยตอนไหนๆก็สิ้นกันในปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมไม่ใช่คิดอดีตไม่ใช่จิอตจอานาคตไม่ใช่ทรรอดีตไม่ใช่ทรรอานาคตผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วภาวนา ม, ามามากแล้วจําเป็นก็ ต้องการพ้นทุกในวัฏจักรสงสารโดยด่วนไม่รอชา้าผู้ต้องการพ้นทุกในวัฏจักรสงสารโดยด่ว น, ว น, วนไม่รอชา้าต้องภาวนาเห็นกองทุกพ้อมกลมลมให้ใจเข้าออกเห็นอนิจจังพ้อมกลมลมให้ใจเข้าออกเห็นทุกขรังพ่อมกลมลมให้ใจเข้าออกเห็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของตนพ่อมกลมลมให้ใจเข้าออกถ้าสิ่งต่างๆ ในไตโลกาธาตุมนุษยสมบัติก็ดีสวรรคสมบัติก็ดีพรหมสมบัติก็ดีเกิดขึ้นมาแล้กวก็แปรปวนใละแตกสลายเมื่อสมบัติทั้งสามประการมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติพรหมสมบัติเกิดขึ้ น, นแล้วแปกปวนใละแตกสลายอย่างนี้ไม่จีรังยั่งยืนอยู่ใต้อำนาจอธิจงอยู่ใต้อำนาจทุกขงังอยู่ใต้อำนาจอนาจาแม้บุญละเอียดทั้งเพียงนี้แล้วก็ ย, ยังมีเกิดมีดับอยู่ เมื่อเป็นดังนี้ผู้สร้างวาลมีมาแก่กล้าแล้วก็จิตก็เหนียวน้อมถึงพระนิพพานอันไม่เกิดแก่เก็บตายเพราะไม่จุใจเมื่อนั้นสมบัติก็ไม่จุใจสวรรคสบัติก็ไม่จุใจภมสมบัติก็ไม่จุใจเพราะมีเหตุที่ไม่ให้จุใจอยู่เพราะเกิดขึ้นแค่แสบปวดในแต่สลายเป็นธรรมอันให้สลดใจอยู่ไม่ไหว้ใจในสิ่งใดๆในใจโลกาธาตุเลยเมื่อเป็นดังนี้กาพิจรารณา ให้เบื่อให้หนายให้คลายเมาในวัตตาสงสารท่นั้นพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์เมื่อในหมายว่าจะวางศาสนาลงให้สัตว์ท่องเที่ยวในวัตตาสงสารจะลื้อออกจากวัตตาสงสารไปเป็นยุกยุกเป็นยุกยุกเป็นข่าวข้าวเป็นข่าวข้าวตามฐานันดรของแต่ละท่านะท่าน ผู้ที่สวนเข็มได้แล้วพระบรมศา ส, สดาเขาบอกเย็บผ้าชั้นในกดก็ดีผู้รู้จักคุณค่าของพระพุทธศา ส, สนาเนี่ยพระบรมศา ส, สดาก็สอนให้เบื่อหนา่ายคาเมาในวัดตาสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพื่อจะยำคิตใจถึงพระ น, นิพพานอันไม่เกิดแก่เก็บตายเพราะเคล็ดลาบในวัดตาสงสารเกิดมาแล้วก็มีแต่เก็บเก็บตายไม่ต้องการก็ได้ มีแต่หิวมีแต่หนาวมีแต่ร้อนไม่สมประสงค์เลยไม่มีสิ่งที่สมประสงค์เมื่อกิจขึ้นสู่ชั้นสูงแล้วจะหาความประสงค์ในโลกไม่มีเลยเมื่อกิจอยู่ในระดับต่ำก็สําคัญว่าตนสมประสงค์ผู้ที่สมประสงค์ก็คือพระอรหันต์จำพวกดีอ๋อถ้าว่าในกิตชั้นสูงทําชั้นสูงพระไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกสมประสงค์แล้วไม่ขบศรมนุษ สวรรค์คมถึงจะสมปสมระสงค์ก็ขบฏพื้นเดี๋ยวมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์ที่ฉานบ้างไปเปรตบ้างเป็นอักสุรกายบ้างก็มีหลายบ้างก็มีหลายบางทีตามทานั่นรอนกรรมและผลของกรรมของตนที่สร้างไว้ยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นลำดับของใครข่งมันอมุนีนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมนุษย์สวรรค์คม พรมในที่นี้หมายถึงถึงพรมโลกีไม่ใช่พรมโลกุตละส่วนพรมโ ล, โลกุตละหรือสวรรคโลกุตละนั้นก้าหน้าผู้ที่จะก้าวหน้าสูงส่งไม่ถอยหลังก็คือพระสวสดาบาลพระเจ้าคาามีพระอนาคามีกล้าหน้าจนถึงที่สุดก็คือพระละหันไม่ถอยหลังเลย จำพวกนี้เข้าคิวพระนิพพานแล้วภูมิความวโสดาบันมีอย่างไรบ้างมีสินห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากจะล่วงละเมิดไม่ถือว่าเป็นของหนักด้วยไม่ได้ดา่าไม่ได้พร้อยด้วยถ้ามาหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเว่นใจาจากอบายะมุขทุกประเภทไม่เสียดายอยากจะทำ เขาถือว่าเป็นของทิบหายส่วนเดียวนี่คูงความประสดาบดานไม่ค้าขายเครื่องฟาหานไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้าเมาไม่ค้าขายยาพิษไม่พบมิตรที่ชั่วพาตัวให้เสียเวลาตาประมิตรไม่พบเมื่อไม่พบเขาก็ไม่กระเทือนเขาเมื่อพบเขาก็ไม่ตายใจกับเขา รู้หรอกเป็นปี ก, กเป็นหางพุิของพระโสดาบันเมื่อยอมถือศ า, าสตร์สดาอื่นมาปนไปเลยเลือกดียามดีก็ทิ้งหมดเลือกไหนก็ดีหมดถ้าทําดีเลือกไหนก็ชั่วหมดถ้าทําชั่วความดีความชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เลือกยามไม่ได้อยู่ที่วันทิศจันทร์อังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอุกกาบาตวันโลกาวินาศไม่มีในจิตใจของพระโสดาบัน วันไหนก็ดีหมดถ้าเราทำดีวันไหนก็ชั่วหมดถ้าเราทำชั่วมีความเห็นตรงอย่างนั้นเ<ม>ชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลไม่ชื้อมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมที่ตนทาด้วยกายวายจาใจเชื่อผลของกรรมที่ตนทาด้วยกายวายจาใจและไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาด้วยบำเพ็ญบุญอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาด้วยไม่สงสัยจะถือลัที่อื่นๆมาปนเป นิพุงโงมัสโธดาวันไม่ถือของลางของรางของ ข, องของังไม่ถือการดูกระยงคงพันเหนียวอย่างนั้นเหนียวอย่างนี้ไม่มีในพระโสดดาวันเชื่อกรรมและผลของกรรมลงสนิทพยายามทำแต่กรรมที่ดี ด้วยใจละกรรมวจีกรรมมโนก ร, รมพยายามละกรรมที่ชั่วไม่ถอยหลังไม่ลำบากใจด้วยไม่ถือว่าเป็นของหนักเรื่องละเมิดคำสอนของพระพุทธศาสนาเบื้องต้นถือว่าเป็นของหนักที่สุดแบบภูเขา พระสวดาวันพิรบายภูมิทั้งสี่เตวิสัยอสุรากายสัสตว์นรกสัตติรชานปิดแล้วปิด ป, ประตูแล้วคือประตูใจไม่ร่วงละเมิดปิดอยู่แต่ยังเป็นมนุษย์เขาไม่ไปเสียแล้วกิเลสหยาบไม่ไปกิเลสที่เป็นโลภี ในเชามาอดล่วงละเมิดในข้อวัดของตนวัดจิตวัดใจให้อยู่ในระดับภูมิของตนรักภูมิของตนเข้ารับภูมิของตนภูมิจิตภูมิใจภูมิธรรมภูมิปฏิบัติพยายามเดินหน้าสูงส่งผ่านชุนกลางของความหลงหวังจะข้ามทะเลหลงของตนอยู่ ไม่มีกลางวันกลงคืนไม่นอนใจในวัตฏสงสารด้วยไม่ในนอนไม่ไม่นอนใจในราบยศชนะเสริญสุขซึ่งเป็นโลกีไม่ได้ติดด้วยผู้เห็นลวงหน้าแล้วมีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งลินทาหนึ่งชนะเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเหล่านี้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วกาแฟปู่วนตามเป็นจริง ไม่ให้ครอบงำจิตเลยถ้าพยายามถอนออกและไม่ได้พยายามอีกิจด้วยเพราเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแป ล, ปล้วแต่ปวงในแต่สลายชักเห็นความเข้าลมเข้าลมออกอีกด้วยเห็นความกับคณะคิตที่นึกคิดอีกด้วยพุทธทแท้ทำแท้สมแท้เบื้องต้นของพระพุทธศาสนานั่น ถาถึงพุทธทแท้ทำแท้สงแท้เบื้องต้นของพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าคาธานีพระอนาคามี พ, าามพระอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาไม่ใช่มือทางนอกความเห็นดิ่งลงไปในทางถูกแล้วถอนไม่ออกผู้ที่เห็นดิ่งไปในทางผิดก็ถอนไม่ออกเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้นอกจากจะเห็นโทษเองเป็นแต่เพียงแนะนำถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หมดหวังจะทำต่างก็ไม่ได้หิวนอนก็นอนเองหิวน้าก็ดื่มเองหิวอาหารก็าทานเองเหนื่อยก็ต้องพักเองจะทำแทนกันไม่ได้เป็นแต่เพียงที่บอกตางคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาเมื่อได้กดขี่กันโทษแลวไม่ได้ข ม, มเหนปล่อยให้มีสิทธิพิจารณา ไม่มีชิ้นจ้างรางวัลอันใดเลยถ้ามีชิ้นจ้างรางวัลในวัตถุถ้าหมดวัตถุแล้วเขาก็ขบดคืนเพราะเขาไม่เห็นธรรมะเหตุเช น, นั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่มีชิ้นจ้างรางวัลปล่อยให้มีอิสระเห็นเองปล่อยให้มีอิสระพิจารณาเองปฏิบัติเองแต่แนะนําให้รู้จัก ถ้าแนะนำยังไงก็ไม่เข้าใจแนะนำยังไงก็ก็ไม่เข้าใจองค์ท่านก็วางอุเบกขาไปเสียและท่านก็ไม่ได้เพ่งโทษท่านอุบายนั่นเราก็ได้สอนแล้วอุบายนี้เราก็ได้สอนแล้วไม่ได้เพยงโทษตนว่าอุบายอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้สอนเหตฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าสัตถังัพยฉ น, นงังเกวราภริคุณนางปริสุทธัง กวามเจริยังประกาศเสสิบริบูรณ์ขั้งอัถะทั้งพยนิชนะสิ้นเชิงแล้วสมหังมุขวันตังในปุจจยา น, นิตามะหังมวันตังสีเทสานมามาลิจึงได้สาบไหว่แบบแกบจมใจไม่ได้สาบไหว้ด้วยความขมใจพอใจสาบพอใจไหว้และไม่กระดากด้วย ได้หวังเพื่อมรคผลนิพพานด้วยหวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏจัรสงสารด้วยจิตใจที่หวังคนทุกข์ในวัฏจัรสงสารขณะเดียวยังดีกว่าจิตใจที่เพื่อเกินในวัฏจัรสงสา ร, รอยู่ตั้งล่านหรืออสงไขยอสงไขขณะจิตธรรมกาวังพระโวโหตุ ไข้ควรธรมคือไข้ควรใจไข้ควรปัญญาสติปัญญาเป็นผู้เจริญเร้าหน้าสูงส่งตรงไปพระนิพพานคือดับเพลินในวัฏสงสารเรียกว่าพระนิพพานดับความหลงในวัฏสงสารเรียกว่าพระนิพพานดับความหลงในขันธะสัญญาณของตนเรียกว่าพระนิพพาน ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงไม่ยินดีในโลกทั้งปวงทัพพโลกเกอพิริตาสัญญาทัพพโลกเกออนิทะกะสัญญาทัพพเสงสังคาเดยสดุอนิทะกะสัญญามีความหมายอันเดียวกันเบื้อนายในโลกทั้งปวงเพราะโลกทั้งปวงเกิดขึ้นมาจากปวงในแจกสลายทั้งนั้นโลกภายในคือหนังหงอยู่โดยรอบโลกภายนอก คือท่านผู้อื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งของพัสถานคือเป็นวัตถุมีดินน้ำไฟลมเป็นต้นวัตถุใดๆในโลกก็ออกไปจากดินน้ำไฟลมนี่ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นของแข็งเขาเรียกว่าธาตุดินสิ่งที่เหลวเขาเรียกว่าธาตนะุน้ำที่ซึมซาบสิ่งที่อบอุ่นเขาเรียกว่าธาตุไฟสิ่งที่พัดไปมาเขาเรียกว่าธาตุลม ดินน้ําไฟลมเหล่านี้เนี่ยเป็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายที่สมมุติว่าเป็นของกูของข้าของท่านของเราของเขาของท่านผู้อื่นของเราแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังใช่ไหมเกิดขึ้นได้แป่ปรวนและแป่สายเช่นโคกระบือมากก็ดี สัตว์ที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็มีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ทุกส่วนรถเรือก็ดีธ mm. าตุดินน้ำไฟลมเกิดขึ้ น, นแ้วแต่ปวงในแต่สายตรงนั้น mm. เมื่อเห็นอ น, นิจจังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความกำลมเข้าออกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเชิงวาภาคกันแนล้วทุกขังก็เห็นอยู่ในตัว อันตาที่ไม่ใช่ตัวตนก็เห็นอยู่ในตัวเพราะมีแต่ทุกข์จะเป็นอัตตามาจากประตูไหนจะเป็นของเรามาจากประตูไหนเพราะมีแต่ของไม่เที่ยงจะเป็นของเรามาจากประตูไหนเพราะมีแต่ทุกข์จะเป็นของเรามาจากประตูไหนจึงยอมปฏิเสธไม่ใช่ปฏิเสธแบบงมงายจึงยอมถอนความเข้าใจผิดของตนนายความเข้าใจผิดของตนที่เคยผิดมาแล้ว ดินน้ำไฟลมหักเป็นอยู่อย่างนี้ดินน้ำไฟลมไม่ร่ลอลงตะโกนว่าข้าพาเจ้าเป็นของท่านพูกนั้นข้าพาเจ้าเป็นของท่านพูนี้แต่ด้วยอาศัยกิเลสของพวกเรามันมีมากพวกของกูของมึงอยู่อย่างนั้นลบลาค่าฟันตันอนละมาร์่อต่างก็เอาความหลงออกมาแข่งกันไม่ได้เอาความดีออกมาแข่งกันเอาความโหดร้ายออกมาแข่งกันในใตโลกธาต าอายอาวุธยุทธภัณฑ์ทั่วทั้งไทยโลกธาตุประชันนแข่งกันกู้เก่งอย่างนั้นมึงเก่งอย่างนี้พระบรามาาศาสดาทั้งหลายเอาความดีออกมาต่อสู้โลกออกมาขายให้โลกขายฟ ร, โยฟรีโดยไม่เอาเงินเป็นธรรมทานเอาความดีออกมาต่อสู้กับโลกท่านจึงข้ามโลกไปเสียข้ามความหลงของตนไปเสีย ข้ามความหลงของผู้อื่นไปอีกด้วยชนะความหลงของตนด้วยชนะความหลงของท่านผู้อื่นด้วยท่านก็ข้ามความหลงไปเสียเรียกว่าข้ามโลกไม่มียางติดอยู่คื อ, อยางเหนียวคือกิเลสถ้ากิเลสไม่มีก็ไม่พอใจที่จะปฏิบัติถ้าโรคไม่มีก็ไม่พอใจที่จะหาว่านหายามารักษาถ้าความหิวไม่มีก็ไม่พอใจที่จะ ทานอาหารเช่นใกดก็ดีเมื่อมีกิเลสอยู่ก็พอใจที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นจากกิเลสคือโรโปวดหลงก็มาานอันเดียวถ้าพิจนาให้คัดแล้วก็คุ้มกรมาานทั้งหลายก็มาานทั้งหลายล ง, ลงอยู่ในคลองอาณาปณสติหมด ถ้าเจริญอาณาปาณสติลมหายใจเข้าออกแล้วก็มาฐานอื่นก็ดึงดูดมาอยู่ที่นั่นเช่นพิจารณาความตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเช่นพิจารณาความป่วยเน่าก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเช่นพิจารณาผินสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าจะละเอียดหรือไม่ละเอียดมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาสำปรยุทธที่เห็นชัดในปัจจุบันนั้น จะพิจารณาความเกิดความดับก็ม <void juvenile. S 2> yani, ีอยู่ทุกลมให้ใจข้อออกคืออนิจจังจะพิจารณาทุกข์ก็มีอยู่ทุกลมให้ใจข้อออกจะพิจารณาอนัตตาไม่ใช่แต่ไม่ใช่บุคคลก็มีอยู่ทุกลมให้ใจข้อออกจะพิจารณาว่าเป็นแต่สักว่าลูกเป็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่แต่ไม่ใช่บุคคลดอกจะพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์ก็มีอยู่ทุกลมให้ใจข้อออกเมื่อจับลมให้ใจข้อออกดีแล้วร็มาท้าเองอื่นแปดหมืนทีพระธรรมขันธ มารวมกันในปัจจุบันทันตาเลยทันตาสติทันตาปัญญาไม่ใช่ตานอกแล้วก็หายความสงสัยอีกด้วยว่าศีลอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่ไหนพระพุพะทธธรรมอยู่ท็สง์อยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ไหนก็หายสงสัยไปอีกถ้ามิชี้คิดษา ข้ามกลางขามยุติธรรมยุสุธิความหมโหสถแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยก็รู้จักปฏิปทาญาณทัศน์วิสุทธิก็รู้จักปฏิบัติของตนเองไม่สงสัยในปฏิปทาของตนในข้อวัดของตนข้อปฏิบัติของตนจะเห็นเทวบุตรเทวดาสักเพียงใดก็ตาม จิตจะสงบไปสักเพียงใดก็ตามก็ให้รู้จักว่ารถของมันเป็นอย่างนี้รถของความสงบรถของความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้อความฟุ้งซ่านเกิดด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นระงับได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นจิตรวมลงเป็นหนึ่งด้วยวิธีใดก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นไม่รวมลงด้วยวิธีใดก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นด้านภาวนา ถ้าเห็นในภาวนาแล้วไม่ขบดคืนถ้าเห็นตามสัญญาที่จํามาก็มักจะขบวัตคืนถ้าเห็นชัดในการภาวนาแล้วไม่ขบดคืนเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นอินเห็นผมเห็นพ ย, ยมพระการจจตโรคกบาลทั้กกงสี่มาในเวลาเข้าสมาธิอยู่ก็าตามตัดสินตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้ น, นแล้วก็แปรปวนในแต่ะและอะไรก็คืออานิจจังนั่นเองแล้วก็ไม่ติดอยู่ด้วยนั่นะ แล้วก็เห็นไม่ติดล้วก็เห็นว่าเขาเป็นของว่างเพราะมันไม่เที่ยงมันแปลมันป่วนมันดับไปมันเป็นของว่างตามสภาพไม่มีใครจะไปห้ามได้เราเป็นนักทัฒนาจรมาหลายชาติหลายภพแล้ว ทัศนาจรไปเป็นสัตว์กิเลสชันบ้างทัศนาจรไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นคนร่ําคนรวยบ้างไปเป็นคนทุกข์คนจนบ้างไปเป็นคนมีอายุสั้นบ้างไปเป็นคนมีอายุยืนบ้างบ้างอะไรก็าตามเกิดขึ้นในแปรปวนในแตกสลายทั้งนั้นเสมือน้ากันไม่ลำเอียงเมื่อสังขารไม่ลำเอียงเกิดขึ้นแล้วแปรปวนในแต่สลายทั้งหยาบและประยิบอย่างนี้แล้วเราจะมา ท, าทำกิจทําใจ ให้เสมอสังขานความสุขด้านจิตใจและธรรมะก็ไม่มีประตูที่จะมาต้องทำจิตใจและธรรมะของตนเองให้สูงขึ้นไปกว่านี้จึงจะไม่ตีอกชกเสียนในเวลาที่มันแตกสลายนี้ไปเพราะได้พิจารณาแล้วนี่จะเกิดแก่เก็บตายและทุกข์เท่านั้นในใจโลกธาตุทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่ใจโลกธาตุ นัสโลกโลกคือหมูสัต์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จะกามาพระชนะหกชั้นพรหมโลกได้แก่รู ป, ปรพรหมเจ็หกชั้นกับรู ป, ปรพรหมสี่ชั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีอายุยืนยายืนนานต่างกันเป็นลําดับไปสักเพียงใด ก, ก็ตามก็ไม่พ้นแตกสลายถ้าดใดๆในโลกล้วนแตกสลายเป็นอย่างนี้จิตใจก็ไม่จุใจ พอที่จะนอนใจอยู่นีเป็นเหตุให้ชวนคิดควพรพิจารณาเลื่อมใสในพระนิพพานซึ่งไม่เกิดไม่ดับอยู่อนยะ่งนั้นเองนั่นผู้จะแข่งดีแข่งชั่วกันอยู่ในวัฏสงสารก็ไม่อัศจรรย์เลยอัศจรรย์แต่ท่านผู้จะพิจารณาเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารเท่านั้นจะมีทรัพย์สินภายนอกเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็าตาม ถ้าไม่ทำให้เป็นโลกุตระทรั์มันก็ติดตัวติดใจไปไม่ได้โลกรุตระทรั์เท่านั้นจะติดตัวติดใจไปได้ตัวก็คือใจใจก็คือตัวตามสมมุติสิ่งใดที่ถูกสมมุติสิ่งนั้นแหละจะถูกลบอยู่ในตัว สิ่งใดที่ถูกเขียนใส่กระดานดำสิ่งนั้นก็จะถูกลบถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีที่เขียนสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นจะถูกลบในทางแก่เก็บตายสิ่งนั้นจะถูกลบในทางแปรปรวนและแตกสลายมีความหมายอันเดียวกันเวียนไปอยู่อย่างนั้นปิดกันอยู่อย่างนั้นเช่นไฟฟ้าอย่างนี้เกิดดับเร็วที่สุดจน จนติดกันเป็นแสงของละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดระดับอย่างละเอียดของหยาบก็เกิดขึ้นหยาบดับอย่างละอีอยบหยาบอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่รู้ตามเป็นจริงหรือไม่ยู้รู้ตามเป็นจริงก็ขึ้นอยู่แต่ละลายของสติปัญญาของแต่ละท่านไม่ได้ผูกขาดอยู่กับวงแขนของท่านผู้ใดใครก็มีสิทธจะรู้ได้ทั้งนั้นถ้าปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติ ใครก็ไม่มีสิทธ์ที่จะรู้ได้เหมือนกันถ้าลืมตาขึ้นใครก็มีสิทธจะเห็นเหมือนกันเพราะตาไม่ฟามไม่เห็นหน้อยก็ต้องเห็นมากผู้ตาดีก็เห็นมากผู้ตาปัญญาเก่งก็ยิ่งเห็นมากถ้าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัดเจ้าท ong ศาลปัญหามีนิดเดียวไม่มากอุบายใดที่จะเบื่อหน่ายใครเมาในวัดเ้าท o ศาล แบบเย็นเย็แบบแยบคายอุบายนั่นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในชั้นสูงสิ่งไหนที่จะมาชักชวนให้ลืมตัวลืมใจลืมธรรมเพื่อให้ติดอยู่ในวัฏสงสารนานเนิ่งช้าสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพญามารสิ่งใดที่ทําให้ ส, สลดใจในวัฏสงสารสิ่งนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธศาสนา เปนนิยานิกระทาจะนําสัตว์ออกทั้งหลายจากความหลงของตนข่าวใดในใจโลกธาตุข่าวเกิดก็เป็นข่าวทุกข่าวแก่ก็เป็นข่าวทุกขข่าวเก็บก็เป็นข่าวทุกข์เพราะผลมันมีทุกข์เป็นผู้รับเป็นผลข่าวตายก็เป็นทุกข่าวโต้เถียงเกี่ยงงอนกันก็คือข่าวทุกข่าวรถชนกันก็เป็นข่าวทุกข่าวอะไรต่ออะไรในใจโลกธาตุเป็นข่าวทุกข์ทั้งนั้น ข่าวของพระผลนิพพานเป็นข่าวที่ปีนปลายออกจากทุกข์นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นข่าวของผู้ปฏิบัติสินธรรมเป็นข่าวที่จะออกหนีจากวัฏสงสารข่าวผู้อยู่ห่างเหินสินธรรมเป็นข่าวที่จะวนเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารคือข่าวทุกข์ เมื่อจิตละเอียดลงไปภาวนาจิตละเอียดลงไปขนาดไหนก็เรียกว่าโลกยัดเยียดลงไปขนาดนั้นน่ะโลกละเอียดขนาดนั้นละ่ะเมื่อผู้รู้ละเอียดลงไปขนาดไหนก็ตามก็เรียกว่าโลกทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายก็ละเอียดลงขนาดนั้นละ่ะเมื่เบื่อหน่ายคลายเมลข้องมันก็ถอนไปอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่ต้องใช้กิริยา ท, ทาําท่าถอนอีก ก็เห็นโทษในวัฏจักรสงสารอย่างเต็มที่เห็นโทษในความเกิดแก่เก็บตายอย่างเต็มที่ก็เห็นคุณพระนิพพานอย่างเต็มที่อยู่ในตัวนั่นก็เห็นคุณสิ่งที่ไม่เกิดแก่เก็บตายอยู่ในตัวพวกนักป่าก็เที่ยวปรหานักปา่าพวกนักเปรตเขาก็ไปเที่ยวสังสรรค์พวกนักเปรตพวกแมงผู้แมงพึ่ง เขาก็ไปตามเรื่องของเขาเพราะกรรมจาเนียพาให้ไปพักของใครพักของมันมันมีพักอยู่ทุกทุกผลทุกแห่งพักนักปากพักนักเปรตมีอยู่ทุกๆุคทุกสมัยของโลกพักโลคีพักโลกุตระก็มีทุกพักทุกพวกพักของพระโสดาบันพักของพระชกทาคามีพักของพระอนาคามีพักของพระลหัน ตามก้อนั่นลงมาเป็นพัโ ก, โล ก, โ, ลกโลกีเป็นพักโลกโลกเล alumni, <S <s ็กๆลล้าหายใจออกข้างหนึ่งเห็นทางความเกิดขึ hum, ้นและแปลปวนในแต่สลายหายใจออกข้างหนึ่งเห็นทางความเกิดขึ้นแปลปวนในแต่สลายเห็นทางทำอันไม่ตายด้วยทำอันไม่ตายอยู่ภาคผู้รู้อยู่ภาคความเกิดขึ้นแปลปวนในแต่สลาย กพวกที่เกิดขึ้นแปลปวนและแตกสลายก็คือสังขารธรรมก็คือกองทุกขก็คือโลกก็คือสังขารโลกภาพเกิดขึ้นแปลปวนและแตกสลายเป็นพระ น, นิพพานภาพผู้ลูกไปเป็นพระนิพพานผู้ลูกเบื้องต้นถ้าลูกถูกก็เป็นทางดําเนินเข้าสู่พระนิพพาน เมื่อถึงพระนิพพานแล้วผู้รูกก็ไม่ได้ยึดถือไม่ได้เป็นเหตุไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นวิบากไม่ได้วนเวียนอยู่เป็นวิญญาณปฏิสนธิเป็นวิญญาณปฏิภพเป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเมื่อลูกดีลูทชอบก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพนาพานแต่เมื่อถึงพระนิพพานแล้วไม่มีอันยึดอันถือ ไม่ได้ติดอยู่ในผูู้้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเหมือนลมพัดมาพัดแล้กวก็พัดไปพัดมาอีกแล้วก็พัดไปเมื่อมีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วลมทั้งหลายก็เป็นแต่สักกว่าลมพัดไปพัดมาเท่านั้นความนึกคิดก็เหมือนกันนึกคิดขึ้นแต่ละบทระบาดก็าหายไปแล้วเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจแต่ละบทระบาทก็าหายไปแล้ว แต่ผู้ไปยึดถือว่าเป็นสตัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขามันเป็นกิเลสอันละเอียดอันนอนหนึ่งในกันทะสันดาลนักภาวนามาติดอยู่ในแบบนี้แหละนักภาวนามาติดอยู่ในผู้รู้เดี๋ยวการู้นั้นเดี๋ยวการู้นี้่ล้วก็ติดอยู่ในผู้รู้เสียงกันตาดำตาแดงเพราะเหตุใดเพราะผู้รู้ไม่ว่าผู้รู้มีผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อผู้รู้มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็มีผู้ยึดถือเอาไปเป็นเจ้าของ เมื่อใจไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วใจก็เป็นของว่างําทั้งหลายก็เป็นของว่าก็ไม่มีพิษมีสงฆ์เ น, นี่ยไฉนจึงมีพิษมีสงฆ์เพราะมีผู้ยึดถือผู้รู้เพราะมีผู้ยึดถือจิตใจใครต้องก็ไมาได้เหมือนงูเหา่างูสา่ะทางผ่านคอออกมาจะตอบโต้เขาน่ะพระอุปทานยังวางไม่หมด ทําชั้นสูงอันนี้ไม่ใช่ทาชั้นต่ำเพราะผู้มีกิจสูงก็มีอยู่กานเทศทั้งหลายไม่มีการเอวังคือเราสมมุติกันว่าเอวังก็เป็นเรื่องของเราต่างหากเช่นความแก่เจ็บตายอย่างนี้ไม่มีเอวังเลยไม่มีสัางวันกลางคืนคนป่วยความเล่คนนาความีมียไม่มีสัางวันกลางคืน ควเกิดขึ้นแปรปรวนในแต่สลายก็ไม่มีกลางวันกลางคืนทําอันไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเอวังเป็นของจริงอยู่ทั้งสองฝ่ายนะไม่ต้องยกกระทู้มันเป็นกระทู้ตายตัวอยู่แล้วดินก็เป็นจริงตามดินอยู่ไม่มีเอวังน้ําก็เป็นจริงตามน้ํำอยู่ไม่ไม่มีเอวังผงขนและฟันต่างๆเองกระดูกก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ความปื่อยเน่าในสักคนในร่างกายของเราก็จริงอยู่ไม่มีสงวันกลงคืนไม่มเอวังเอกละนี่นะใครจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามนักเทศเอกเหล่านี้เทศอยู่ไม่มีสงวันกลงคืนเรียกว่าของจริงอริยสัจจังจริงอยู่ไม่มีสวันกลงคืนทุกขังอริยสัจจังก็จริงอยู่ไม่มีสวันกลงคืนการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวาัฏองสารทุกขนิโรธคามีปฏิปทาผู้ปฏิบัติก็จริงอยู่ไม่มีกวันกลงคืน ผู้ไม่ปฏิบัติก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนผู้ถือว่ามีบุญมีบาปก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนผู้ไม่ถือว่ามีบุญมีบาปผู้ถือว่าไม่มีบุญไม่ไม่มีบุญมีบาปก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนนะมันจริงไปคนละแง่พวกมิจฉาทิสติก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนคือพวกถือว่าไม่มีบุญมีบาปกันเองถือว่ามีบุญมีบาปอยู่แต่เขารบศาสนาอื่นปฏิบัติรัฐที่อื่น ก็เรียกว่ามิถาทิฏฐิเหมือนกันมีเรื่องทดสอบอยู่แล้วถ้าเราเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจาง ก, ก็สอสแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรานี่แก่ท่ามาแล้วนัน่ถ้าเราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นละโลกแล้วก็ไปบรรเทิงในสวรรค์ เป็นอย่างต่ต่ําอย่างสูงก็พระโสดาบันสกทาคามีนาคามีอนันล้านเป็นลํำดับนีไหมแต่ขั้นต่าําไปนาสูงคุณพระพุทธธรรมพระ ส, รสงค์ก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคุนคณควมมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมรรคผลนิพพานนั่นเองคือเป็นยอดพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธธรรมพระ ส, สงค์ไปรวมกันเป็นอุญไป ร, รวมคิวกันอยู่ที่พระนิพพาน รัที่ใดๆในใจโลกธาตุก็รวมคิวขึ้นดูพระพุทธศาสนาหมดในตัวเหมือนเข็มทิศน้อมรวมคิวที่ไปทางทิศเหนืออยู่โดยไม่รู้ตัวาเทียบในทางสูงถ้าเทียบในทางต่าทางลึกซึ้งนำให้หนองมืองบางต่างๆ ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่มีกลวันลางคืนทั้นใดคําสอนในลัทธิต่างๆก็ไหลลงสู่คําสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีกลาวันลางคืนโดยไม่รู้ตัวอีกรู้ด้วยนั่นพูดเข้าข้างตัวดอกหรือไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรม เป็นธรร ม, มาริปปไตยโดยแท้ไม่ใช่เป็นอตัตราธิปไตยไม่ใช่เป็นโลกาธิปไตยทําอะไรถ้าแล่นไปตามโลกหมดก็ไม่ถูกถ้าโลกพาแล่นไปพาพาแล่นไปทางถูกมันก็ถูกถ้าแล่นไปทางผิดมันก็ผิดถ้าเถระคู่หนึ่งเคียงกันท่านก่อนทําอะไรไม่มองดูโลกเขามันไม่คันกับโลกเขา ที่ท่านก็ตอบว่าเออท่านนั้นไม่มองดูธรรมวิ่งไปตามโลกทําอะไรก็ต้องมองดูธรรมบ้างวิ่งไปตามโลกจนเสลิดเปิดเปิงเชื่อกว่านุ่นติลไปตามลมเรียกว่าไม้ลอยน้ําเชื่อกว่าว่าเชี่อขาไม่มีที่หยุดยั้งเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ เป็นตัวพึ่งของใจก็ไม่ได้อีกเพราะโลกมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันอยู่ใครตาสูงจริงจะรู้จักเลือกใครตาต่าก็เลือกไม่เป็นแบบกินไม่เลือกสงคัญว่าตัวมือยาวก็สาวได้สาวเอาสาวไปสาวมาก็ถูกหนำสาวไม่เลือก คำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนใหม่ๆไม่ใช่ของเก่าถึงจะเก่าสักเพียงใ ด, ดก็ตามเปิดออกนึกถึงเมื่อไรก็เป็นของใหม่อยู่นั่นไม่จืดไม่จางไปไหนเหมือนเกลือถึงจะเป็นเกลือเก่าก็าตามทิพย์เวลาไหนก็เค็มอยู่นั่นิพก็เหมือนกันทิพย์เวลาไหนก็เผ็ดอยู่หวานก็เหมือนกันทิพย์เวลาไหนก็หวานอยู่ไม่ลบเลือนไปไหนนั่น ถ้าโลกมันมีความสุขพอแล้วเหตุที่จะแสวงหาความสุขมันก็ไม่มีความสุขไม่พอนั่นเองมันมันไม่เป็นที่ภูใจนั่นเอง нет, จึงเป็นเหตุให้แสวงหาเนี่ยพระบรมศาสดากอดีพระอริยเจ้าทั้งหลายกอดีที่ลงไปแล้วมากกว่าเมดๆๆๆๆ็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรร้อยโกดมหาสมุทรอีกด้วยไม่ใช่สี่มหาสมุทร ที่เข้าสู่พระนิพพานไปที่จะมาข้างหน้าก็เหมือนกันที่ล่วงไปแล้วก็เหมือนกันท่านเข้าสู่พระนิพพานท่านก็ปล่อยให้ผู้อยู่ข้างหลังมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจะแย่งกันมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่นี้พวกสัตว์ที่ไร้ฉัาานเขาก็ไม่มีที่เกิดเพราะมันขัดกันมันแคบกันึงเลื่อนตำแหน่ง แต่เราเกิดมาเนี่ยเเลื่อนตําแหน่งมากแล้วที่แรกก็เป็นเด็กเป็นตัวนิดๆถือปฏิสนธิเป็นกรรละเป็นอมพุทะเป็นปัญจัดสาขามาในคันพมานดาเลื่อนตําแหน่งมาเลื่อนตําแหน่งมาเลื่อนตำแหน่งมาทอดออกเลื่อนตําแหน่งมามาความมาคลานเดี๋ยนี้เลื่อนตําแหน่งมาเดินเลื่อนตําแหน่งมาวิ่งได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นเด็กนักเรียน มาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นว่าวเลื่อนตำแหน่งมาทุกปีทุกวันทุกเวลาเลื่อนไปเลื่อนมาผลที่สุดของการเลื่อนเจริญชาติก็เลื่อนเข้าสู่เชิงตะกอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนพัดยศในภายนอกส่วนพัดยยศในภายในก็พยายามเลื่อนจาก โลกีมาเป็นโลกุตระมาเป็นพระโสะดาบาลเลื่อนจากพระสวสดาบาลพยายามเลื่อนไปตะกทาคามีอนาคามีอัลหลานก็จบกันในที่นั้นถ้าในใจโลกธาตุไม่ีความสุขเพียงเม็ดงาวิญญาณปฏิสนธิของฝรหันทั้งหลายก็ไปอยู่ที่นั้นข้ามไปไม่ได้ มันไม่มีเสียเลยท่านเห็นว่าไม่มีเสียเลยความสุขในใจโลกทานท่านจังข้ามไปเสียด้วยความหลงข้ามความหลงไปเสียถ้าเห็นว่ามีอยู่บ้างมันก็ไปไม่ได้เพราะมันจะแอบกินอยู่ที่นั่นถ้ามันเห็นมีเสียเลยมันก็ต้องเบื่อหน่ายคลายเมาขึ้นความสงสัยของตนเอง ท่เห็นว่ามันไม่มีเชียนั้นแล้วท่านกกล่าวว่ารุตีตีติแวาผู้ย่อยยับไปในโลกอันนี้พู้จมเป็นจริงไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้ยกตนข่มท่านพระบรมศาสดาหรือพ ร, ริยาเจ้าทั้งหลายจำพวกพระละหันจำพวกเพศผู้หญิงก็เหมือนกันจำพวกเพศผู้ชายก็เหมือนกัน แต่ความดีความชั่วไม่นิยมว่าเพศผู้หญิงผู้ชายใครทำก็ได้ทั้งนั้นประเทศชาติที่เขาถือว่าไม่มีบุญมีบาปแต่เขาก็มีบุญมีบาปอยู่โดยเขาไม่รู้ตัวเท่านั้นเพราะบาปและบุญไม่ลำเอียงเขาก็พูดถือและไม่ถือเหมือนไฟ เะนนะไม่ลําเอียงเข้ากับชั้นวันละใดความจริงทั้งหลายไม่ลําเอียงเข้ากับชั้นวันลนะเพศหญิงเพศชายผู้เฒ่าผู้แก่ในศาสนาของพระพุทธศาสนาของเราผู้สําเร็จพระหรหัสอายุเจ็ปีก็มีอืม มีทั้งหลวงพ่อมีทั้งหลวงแม่หลวงพ่อก็คือพระพุทธเจ้าเป็นหลวงพ่อเขามีลูกคนหนึ่งคือพระราหุนหลวงพ่อพระมาหากัตปะก็นางพัฒกาปิลาณีมีภรรยาเหมือนกันศาสนาหลวงพ่อ หลวงแม่ก็เหมือนกันนางประตาจาราก็เป็นหลวงแม่นางกุณระเจศีมีหลายนางแต่ว่าคนหนุ่มๆก็มีอีกเหมือนกันมีทุกชั้นทุกวันนะที่สำเร็จพระโสดาบันจกทาคาเมนาคามีพร ะ, ราาระหรันมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งชาวไร่ชาวนามีทั้ง พวกเศรษฐีก็ะดุมพีมีทั้งคนจนคนรวยสําเร็จพลังงานลงนรกก็เหมือนกันมีทั้งคนจนคนรวยมีทุกขั้นวันนะพระเทวทัตก็ตะกูลกษัตริย์เหมือนกันก็ลงนรกนั่นพระทําเป็นคาํากลางพระธรรเป็นของกลางไม่อยู่ในอํานาจวาทนาของใคร สุดแท่แต่ใครจะปฏิบัติถูกเท่านั้นไม่เป็นพุทธศาสนาผูกขาดอยู่กับท่านโพใดเหตุไฉนอยารดาบทอุธกะดาบทภาวนาจนถึงเนวัตัญญานาสัญญายตนะ บริกรรมอยู่ไม่มีกลางวันกางคืนเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่บริกรรมอยู่ไม่มีกลางวันกางคืนเจ้ากระตายขาอนั้นก็ไปเกิดในพมลโลกที่ไม่มีรูปมีอนิสงส์แปดหมื่นสี่พันกับพอหมดอนิสงส์อนั้นแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์กิเลชานบ้าง เป็นเปรตอสุรกายบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพรหมชั้นต่าบ้างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ปฏิญญานตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือเป็นศาสนาอื่นถือเป็นลัทธิอื่นอัญชัตุเทศถือศาสนาอื่นถือลัทธิอื่นไม่ยอมตัว ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศา ส, สนาภาพรมก็เหมือนกันอย่างสูงก็ไปพรมโลกพรมองเปรตชัฏชาพวกแผ่เมตตาในศาสน า, าพรมณ์ตายคาเมตตาก็ไปเกิดในพรมองเปรตชัฏชาหมดอานิสงส์ก็ลงมาในมนุษย์โลกหรือสัตว์โลกอะไรต่ออะไรอีกจิปะทะสะารพัดเหตุนั้นการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อย่างสนิทคิดเชื่ออย่างไม่สงสัยจึงเป็นทรัพย์เบื้องต้นเรียกว่าศรัทธาทรัพย์เมื่อศรัทธาทรัพ ย, พย์มีแล้วนิริศทรัพย์ความละอายต่อบาปโอตปาทรัพย์ความสรุ่มกลัวต่อบาปพระหงษ์สั จ, รจาาทรัพย์จาระทรัพย์ปัญญาทรัพย์ก็มีเจริญขึ้นไปในตัวก้าวหน้าไปในตัว ถ้ามีแฉะนั้นแล้กวก็จําลงเหมือนพระจันทร์ในวันข้างเรมทีนี้ท่านู้ใดสงสัยในเรื่องพรวนาอะไรก็ต้องถามกันได้ทีนี้ ได้เท่านั้นเท่านี้นาฬิกาแต่มันไม่ได้มันล่วงไปได้อายุเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้มันล่วงไปท่านท่านผู้ใดมีสงสัยอะไรก็ปราปรถกกันสนทนากันทีนี้เพนานานจึงจะได้เห็นกันก็อยู่ไกลกันมากอยู่ไกลกันก็อยู่ใกล้เหมือนกั น, กกก น, กก น, นต่างฝ่ายต่างมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู ได้ชื่อว่าใกล้กันโดยธรรมเล ย, เลยนะ